10. ทัศกวาระว่าด้วยหมวด10บ3 0 อ, อาคาตะวัตถุมี10บอุบายกําจัดอาคาตะวัตถุมี10บวิณีตะวัตถุมี10บมิจฉาทิฐิมีวัตถุ10บสับสามมาทิฐิมีวัตถุ1ิบอันตะคาหิกะทิฐิมีสิบ มิจฉัตตะมีสิบสมมะตะมีสิบอกุศลกรรมบทมีสิบกุศลกรรมบทมีสิบจับสลากไม่ชอบธรรมมีสิบจับสลากชอบธรรมมีสิบสิกขาบทสำหรับสามเณรมีสิบสามเณรประกอบด้วยองค์สิบพึงให้อาสนะว่าด้วยองค์ของพระวินัยธร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 ปรับอาบัตไม่ตามปฏิญญา 6. ไม่รู้อาบัติ 7. ไม่รู้มูลของอาบัติ 8. ไม่รู้เหตุเกิดอาบัติ 9. ไม่รู้การระงับอาบัตสิบไม่รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอาบัตพระวิเนททรประกอบด้วยองค์1ิบนับว่าเป็นผู้ฉลาดคือหนึ่ง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 เก้ารู้การระงับอาบัตสิบรู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอาบัตพระวินัยทอนประกอบได้องค์ษิบแม้อีกอย่างก็นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่รู้อธิกรณไม่รู้มูลของอธิกรณไม่รู้เหตุเกิดอธิกรณไม่รู้การระงับอธิกรณ 5. ไม่รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอธิกรณ์ 6. ไม่รู้วัตถุ 7. ไม่รู้เหตุเขามูล 8. ไม่รู้บัญญัติ 9. ไม่รู้อนุบัญญัติ 10. ไม่รู้ถ้อยคำแห่งอนุสนธิพระวินัยทอนประกอบด้วยองค์1ิบนับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อธิกรณ์ 2. รู้มูลของอธิกรณ์รู้เหตุเกิดอธิกรณ์รู้การระงับอธิกรณ์รู้ข้อปฏิบัติอันให้ถึงการระงับอธิกรณ์รู้วัตถุ 7. รู้เหตุเขามูล 8. รู้บัญญัติ 9. รู้อนุบัญญัติ 10. รู้ถ้อยคําแห่งอนุสนธิ พระวินัยทอนประกอบด้วยองค์สิบก็นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่รู้ยัตติ 2. ไม่รู้การตั้งยัตติ 3. ไม่ฉลาดในเบื้องต้น 4. ไม่ฉลาดในเบื้องปลาย 5. ไม่รู้กาละ 6. ไม่รู้อาบัตและอนาบัติ 7. ไม่รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 8. ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 9. ไม่รู้อาบัตชั่วหยาและอาบัตไม่ชั่วยาสิบไม่ยึดถือไม่ใส่ใจไม่ใคร่ครวญถ้อยคําที่สืบต่อจากอาจารย์ด้วยดีพระวินัยทรประกอบด้วยองค์สิบนับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้ยติ 2. รู้การตั้งยติ สฉลาดในเบื้องต้น 4. ฉลาดในเบื้องปลาย 5. รู้กาละ 6. รู้อาบัตและอนาบัติ 7. รู้อาบัตเบาและอาบัตหนัก 8. รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 9. รู้อาบัตชั่วยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบ 10. ยึดถือใส่ใจ ไร่ครวนถ้อยคําที่สืบต่อจากอาจารย์ด้วยดีพระวิัยททรประกอบได้องคศิบก็นับว่าเป็นผู้โง่เขลาคือ 1. ไม่รู้อาบัตและอนาบัติ 2. ไม่รู้อาบัติเบาและอาบัตหนัก 3. ไม่รู้อาบัตมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. ไม่รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบ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 ไม่รู้อาบัตชั่วหยาบและอาบัตไม่ชั่วหยาบสิบไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์พระวินัยทอนประกอบไดยองคศิบนับว่าเป็นผู้ฉลาดคือ 1. รู้อาบัตและอนาบัติ 2. รู้อาบัติเบาและอาบัตหนัก 3. รู้อาบัติมีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 4. รู้อาบัต์ชั่วหยาบและอาบัต์ไม่ชั่วหยาบจําจำปาติโมกทั้งสองโดยพิสดารได้จำแนกได้ดีคล่องแคล่วดีวินิจฉัยโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะได้ดี 6. รู้อาบัตและอนาบัติเรู้อาบัติเบาและอาบัต์หนัก 8. รู้อาบัต์มีส่วนเหลือและอาบัตไม่มีส่วนเหลือ 9. รู้อาบัติชั่วยาบและอาบัติไม่ชั่วหยาบ 10. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรว่าด้วยอุปาหิกาสมมติเป็นต้นภิกษุประกอบด้วยองค์สิบสงพึงแต่งตั้งด้วยอุปาหิกาวิธีพระทถาคตทรงอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลาย การเข้าไปสู่ภายในพระราชฐานมีโทษสิบทานวัตถุมีสิบรัตนมีสิบภิษุสงฆ์มีพวกสิบคณะสงฆ์มีพวกสิบพึงให้อุปสมบทผ้าบาังสุกุลมีสิบจีวรสำหรับใช้สอยมีสิบทรงอัติเรกจีวรสิบวันเป็นอย่างยิ่งน้ำอสุจิมีสิบ สตรีมีส0พันรยามีสิบิิษุในพระนครเวสาลีแสดงวัตถุสิบบุคคลไม่ควรไหว้มีสิบเรื่องสำหรับด่ามีสิบส่อเสียดด้วยอาการสิบเสนาสนมีสิบขอพรสิบประการงดปาติโมกไม่ชอบธรรมมีสิบงดปาติโมกชอบธรรมีสิบ ยาคูมีอานิสงสิบเนื้อที่ไม่ควรมีสิบสิกขาบทว่าด้วยอย่างยิ่งมีสิบภิกษุมีพรรษาสิบฉลาดสามารถควรให้บรรปชาอุปสมบทควรให้นิสัยควรใช้สามเณรอุปถาภิกษุณีมีพรรษาสิบฉลาดสามารถควรให้บรรปชาอุปสมบท ควรให้นิสัยควรใช้สามเณรีอุปถากภิกษุนีมีพรรษาสิบฉลาดสามารถพึงยินดีการสมมุติการให้บวชภิกษุนีมีพรรษาสิบควรให้ศิกขาแก่สตรีที่มีครอบครัวทศะกะวาระจบ